ฟังให้ดีนะบังคจฟังให้ดีวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิธีการที่จะครบผู้รู้เห็นผู้รู้ซึ่งหลายท่านยังไม่เข้าใจยังรู้หรือยังดูหรือยังเห็นไม่เป็นซึ่งก็มีเทคนิค ง่ายๆเด่ย๋ยวเพิ่งนั่งหลับตาให้ตั้งใจฟังก่อนมันใจฟังให้ดีเดี๋ยวนั่งหลับตาไม่รู้เรื่องนะตั้งใจฟังให้ดีก่อนวันนี้ท้าผมถามว่าท่านรู้ไหมว่าท่านนั่งอยู่ในท่าไหนท่านรู้ไหม ใครไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในท่าไหนลองยก ม, มือขึ้นขอให้ให้เป็นความจริงจริงๆต้องการที่จะให้ทุกคนเข้าใจจริงๆใครไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ท่าไหนนั่งอยู่ท่าทางอย่างไรรู้ไหมรู้ถ้าท่านสังเกตให้ดีก่อนที่ผมจะถามเนี่ยถ้ารู้ไหมว่าท่านนั่งอยู่ในท่าไหนรู้ไหมไม่รู้นะ ท่านไม่รู้แต่ดูเหมือนรู้แต่ไม่รู้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้นี่ตรงนี้สําคัญนะเพราะท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้ว่าท่านนั่งอย่างไรท่านเลยไม่ได้รู้ว่าตัวท่านนั่งอย่างไรเพราะท่านสนใจแต่เรื่องสนใจแต่อย่างอื่นท่านเลยไม่รู้ว่าท่านนั่งอย่างไรนี่พอพอถามปุ๊บท่านก็ตั้งใจขึ้นมาเลยว่านั่งอย่างไรท่านก็เลยรู้ว่าท่านนั่งอยู่ในท่าทานอย่างไร ท่นนี้ถามท่านว่าท่านไม่ได้ก้มลงมองตัวท่านเองเลยถ้าไม่ได้ก้มลงมองตัวท่านเองแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าท่านนั่งอยู่ท่าไหนสังเกตได้ดีิท่านไม่ได้เอาตาก้มลงมองตัวเองแต่ท่านรู้ได้ยังไงว่าท่านนั่งอยู่ท่าไหนอืเออรู้ได้อย่างไรอ่ะอืม ใครตอบได้ว่าอายกมือว่าทําไม่ได้เอาตามองตัวท่านเองแต่ท่านรู้ว่าท่านนั่งนั่งท่าไหนนั่งท่าทางอย่างไรฮอ่อะอ่าใช้คําว่าใช้ความรู้สึกตัวเอ่ะใช้คำว่ารู้สึกตัวคนอื่นเราใช้คําว่าอะไรนอกจากคำว่ารู้สึกตัวใช้คําว่าคําว่าจิตจิตของเราจิตอ่าจิตมารู้ว่าเรานั่งอย่างไร เร่ได้ใช้ตาดูแต่ใช้จิตรู้นี่ก็เริ่มเข้าเข้ามาสู่จิตแล้วเใช้ใช้จิตรู้ใช้จิตรู้ว่ากายนั่งอย่างไรคนอื่นล่ะคนอื่นใช้คําว่าอะไรสัมปชัญญะเรียกสติสัมปชัญญะยังมีอีกยังมีชื่ออื่นอีกเรียกว่าอะไรสัญญาความจำนนไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สัญญาความจำสัญญาความจำต้องคิดเอา ต้อจำขึ้นมาต้องจำตอนนี้มันมันเกิดความจริงไม่ได้จำว่าเรานั่งท่าทางอย่างไรมันรู้ขึ้นมาจริงในปัจจุบันว่านั่งอย่างไรอีกอันหนึงเรียกว่าผู้รู้เรียกว่าผู้รู้เราก็พบแล้วว่าผู้รู้สติสัมปชัญญะแล้วก็ความรู้สึกตัวเรียกว่าจิตเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเรียกว่าจิต ที่ถามตอบว่าแล้วผู้ที่มารู้เรานั่งอยู่เนี่ยนั่งอย่างไรเนี่ยเราจะมีเรียกชื่อกันต่างๆก็จะเห็นว่าเรียกชื่อกันความจริงอาจจะมีเรียกชื่อมากกว่านี้เขาเรียกจิตเดิมแท้ก็เรียกหรือเรียกว่าจิตจิตตั้งต้นเลยหรือจิตต้นเขาก็เรียกจิตเดิมแท้แท้เขาก็เรียกมีชื่อเยอะมากเลยผู้รู้เนี่ยก็ส่วนให ญ, ญ่จะเรียกผู้รู้ ถามว่าผู้รู้หรือจิตหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยอยู่ตรงไหนมีรูปร่างอย่างไรมีตัวตนอยู่ตรงไหนมีรูปร่างอย่างไรใครบอกใครบอกได้ไหมเขาอยู่ตรงไหนมีตัวตนอย่างไรมีรูปร่างอย่างไรที่มารู้มารู้กายเราถ้าสังเกตให้ดีท่านต้องต้องต้องสังเกตตามผมไปนะท่านอย่าอย่าทิ้งช่วงอย่าขาดช่วง พราะกี้ท <Yes. S 1> ่านยังย <terra. S 1> um ังยังอยู่ระหว่างว่ะรู้ว่าเรานั่งอย่างไรต้องรู้ไปก่อนนะรู้ว่าเรานั่งอย่างไรก่อนรู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนรู้ไปเรื่อยๆท่านอย่าอย่าไปไปคิดเรื่องอื่นนะอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นรู้ว่าเรานั่งอยู่ท่าไหนถ้าต้องตามผมไปเรื่อยแล้วรู้ว่าเรานั่งอยู่ไหนเนี่ยรู้นี่อยู่ตรงไหนผู้ที่มารู้นเรานั่งอย่างไรเนี่ยรู้อยู่ที่ตรงไหนมีรูปร่างอย่างไร มีรูปร่างอย่างไรมีที่อยู่ตรงไหนใครตอบได้ไหมอาบใครตอบได้ย่อมเลยอ้าวใช่ๆๆใช่ผู้รู้นี้ไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถในการรู้ได้มีความสามารถในการรู้ได้แต่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง ไม่มีที่อยูรู้ไว้ทั้งตัวนี้เรียกว่ารู้กายหรือกายานุปัจสนาสติปัฏฐานในหมวดที่หนึ่งของสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานสูตรตอนที่ผมยังไม่ถามท่านก็จะไม่รู้ว่ากายท่านนั่งอยู่ท่าอะไร วางมือวางไม้อย่างไรวางขาอย่างไรแต่เมื่อถามพบท่านก็มามีสติรู้ทันทีคือท่านตั้งใจที่จะรู้ขึ้นมาความตั้งใจที่จะรู้เขาเรียกว่าสติสติคือความตั้งใจที่จะรู้ขึ้นมาแต่ต้องมีสติรู้ในกายของเราเองถ้าไปรู้เรื่องอย่างอื่นไปรู้เรื่องของคนอื่นเป็นการส่งจิตออกนอกส่งออกนอกกายนอกใจ ต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมในสหมวดนี้เท่านั้นรู้ร่างกาจิตใจตนเองถ้าไปรู้อย่างอื่นเป็นตรงจิตออกนอกตั้งใจรู้ร่างกายตัวเองไว้เพราะนั่นอย่างไรความตั้งใจขึ้นมานั่นแหละคือสติให้มีสติเมื่อท่านตั้งใจขึ้นมาผู้รู้ก็จ ะ, ะก็ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับความตั้งใจนั้น ถ้าท่านไม่ตั้งใจที่จะรู้ขึ้นมาผู้รู้ก็ไม่ปรากฏ um. ขึ้นมาแต่สตินี้ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ใช่สติแต่ถ้าท่านไม่ตั้งใจที่จะรู้ขึ้นมาผู้รู้ okay. มันก็ไม่มารู้กายนี้จะอีกมันก็ไปรู้เรื่องอื่นไปรู้เรื่องของคนอื่นไปรู้เรื่องเพลิดเพลิเจริญใจไปไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มารู้ตีกายนี้อีก จึงต้องตั้งสติมาเพื่อให้ผู้รู้มันมารู้ร่างกายนี้บางครั้งจึงเรียกผู้รู้ว่าสติเรียกสติว่าผู้รู้ก็เพราะว่าผู้รู้กับสติเป็นหนึ่งเดียวกันคือตั้งสติขึ้นมาที่จะรู้กายนี้ผู้รู้จึงมารู้กายนี้ต่อไปผมถามว่าท่านหายใจเข้าหรือหายใจออกลองสังเกต ด, ดูซิ ท่านหายใจเข้าหรือหายใจออกถ้าท่านตั้งใจขึ้นมาท่านก็จะสามารถรู้ได้ว่าแต่ละขณะปัจจุบันท่านกาลังหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจยาวหรือหายใจสั้นใช่ไหมท่านก็จะสามารถรู้ได้แต่ถ้าไม่ถามท่านก็จะไม่รู้แต่พอท่านถามปุ๊บท่านก็ตั้งสติที่จะสังเกตขึ้นมา เมื่อท่านตั้งสติที่สังเกตลมหายใจมาผู้รู้ก็เกิดขึ้นมาพร้อมสตินั่นเองก็มารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวหรือลมหายใจเข้าสั้นรู้ว่าลมหายใจออกยาวหรือลมหายใจออกสั้นรู้ว่าหยาบหรือละเอียดหายใจหยาบหรือละเอียดหายใจหนักหรือหายใจเบาก็จะรู้ขึ้นมาจะรู้ขึ้นมาได้ก็เพราะท่านตั้งสติที่จะสังเกตรู้ขึ้นมา ผู้รู้จึงปรากฏขึ้นมาพร้อมสตินั้นเราคือผู้รู้นั้นท่านก็รู้กายนั่งอยู่อย่างไรกายในแต่ละขณะปัจจุบันกายยืนกายเดินกายนอนกายนั่งกายทำกิจกรรมกิจการงานใดก็ตั้งสติมารู้กายว่ากายทำกิจกรรมอย่างไร ผู้รู้ก็จะมารู้กายมั น, นตั้งสติขึ้นมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกผู้รู้ก็จะมารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในขณะปัจจุบันในขณะปัจจุบันนั้นๆท่านก็จะพบผู้รู้พบตัวท่านแท้ๆคือจิตเดิมแต่แท้นั่นเองแล้วท่านก็อยู่กับผู้รู้อยู่กับผู้รู้นั้นไว้อยู่กับผู้รู้คือให้ตั้งสติรู้ไว้ให้ต่อเนื่อง เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานต่อไปท่านลองตั้งสติขึ้นมาสังเกตรู้ว่าขนาดปัจจุบันณขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันท่านมีความสบายกายสบายใจสุขกายสุขใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจเช่นอึดอัดตึบ ตื่อไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่เบาสบายหรือมีความสุขกายสุขใจสบายกายสบายใจมีความโปรง่งมีความโลง่งมีความเบามีความสบายมีความว่างเว้นวางไปหมดหรือว่าเป็นกลางกลางไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านสามารถตอบได้ไหมตอบได้เพราะท่านตั้งสติที่จะรู้ อาการของกายอาการของใจขึ้นมาผู้รู้ก็มารู้อาการของกายอาการของใจมารู้ความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นกลางกลเรียกว่าเวทนานุ ป, ปัตนาสติปัฏฐานในหมวดที่สองของสติปัฏฐานสี่ขั้นก็ตั้งสติรู้สังเกตรู้กาย ในขณะที่ท่านสังเกตรู้กายหรือรู้ลมหายใจเขาออกท่านก็จะรู้อาการของกายรู้อาการของใจแต่การที่รู้กายรู้เวทนานั้นยังเป็นเรื่องที่หยากเข้าไปรู้กายนี่หยากที่สุดรู้เวทนาก็ละเอียดเข้ามาต่อไปให้ตั้งสติสังเกตรู้ว่า คันกำลังคิดอะไรกําลังคิดกําลังนึกกําลังตึกกาลังตองกําลังปงแต่งอะไรกําลังมีอารมณ์อย่างไรมีราคะโทสะโมหะมุดหงิดฟุง้งซ่านําคาญใจเบื่อเซ็งม่วงเหงาหอนอนซึมๆึมตอสาวหรือมีความห่องใสหรือมีความเศร้าหมองหรือมีความเป็นไม่ปรากฏอารมณ์ ใ, ใดๆมีความเป็นกลางกาก็ตั้งสติ ขึ้นมาสังเกตรู้ว่าท่านกําลังคิดอะไรอยู่มีอารมณ์อะไรอยู่ตั้งสติขึ้นมาสังเกต <encima> รู้ความคิดรู้อารมณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเมื่อท่านตั้งสติขึ้นมาที่จะสังเกตรู้ความคิ ด, ร, ด, ด, ร, คคคดรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันผู้รู้ก็มารู้ความคิดรู้อารมณ์นั้น ความคิดและอารมณ์ทั้งหมดเรียกว่าจิตในหมวดของจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสี่ก็ให้สติมารู้ความคิดรู้อารมณ์นั้นไว้ตังสติจะมารู้ความคิดรู้อารมณ์นั้นไวเมื่อท่านตั้งสติมาที่จะสังเกตรู้ความคิดรู้อารมณ์ผู้รู้ก็จะมารู้ความคิดทุกความคิดรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน ในขณะที่รู้กายรู้เวทนารู้จิตนั้นถ้าต้องมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาว่ากายที่ถูกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ถูกรู้เวทนาคืออาการทางกายอาการทางใจไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆที่ถูกรู้จิตคือความคิดและอารมณ์ต่างๆที่ถูกรู้นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นสิ่งนั้น ให้รู้อย่างนี้ไว้ได้ปัญญาตลอดเวลาแล้วก็รู้สัตว์แต่ว่ารู้ไว้ให้ตั้งสติรู้ไว้อย่าขี้เกียจอย่าเบื่อที่จะตั้งสติรู้เมื่อไรที่ท่านตั้งสติเบื่อที่จะตั้งสติรู้ไว้เมื่อนั้นสมาธิก็ขาดปัญญา็ขาดเพราะท่านกล่าวว่าถ้าสติ มีสมาธิก็มีปัญญาก็มีถ้าสติขาดสมาธิก็ขาดปัญญาก็ขาดถ้าสติเป็นมหาสติก็เป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญาเป็นพันิพานสติอันเดียวธรรมะ8ปดหมสี่พันวัธรรมขันรวมลงที่สติอันเดียวถ้าท่านขี้เกียจตั้งสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตไว้เมื่อนั้น ไม่มีธรรมอยู่ในใจท่านเลยธรรมะแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์รวมลงที่สติรู้นี่เองถ้าท่านขี้เกียจจะตั้งสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตท่านก็เท่ากับไม่มีธรรมนั่นแหละคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในหมวดของธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่บทสุดท้าย เพราะสตินั่นเองคือตัวทมสติกับจิตที่รู้นั่นเองคือหลักธรรมถ้าไม่ตั้งสติขึ้นมาที่จะรู้มันก็ไม่รู้ดังนั้นท่านต้องตั้งสติคือจะมารู้กายรู้เวทนารู้จิตเมื่อท่านตั้งสติขึ้นมารู้ผู้รู้จึงจะมารู้ดังนั้นจะเรียกว่าสติกับจิตนั่นเอง เป็นตัวธทมดังนั้นอย่าเบื่อตั้งสติรู้อยากขี้เกียจก็มีความเขียนตั้งสติรู้เมื่อไหร่ถ็าตั้งตั้งตั้งสติไว้ผู้รู้คนมารูตายรู้เวทนารูจิตนั่นแหละก็จะเป็นธรรมตลอดเวลาไม่มีสติก็ไม่มีธรรมเหตุที่เรามารู้รวมไปทั้งกายทั้งจิตนั้นก็เพราะว่าจะได้มีผู้รู้ มารู้ร่างกายนี้ว่ากำลังคิดอะไรกำลังมีอารมณ์อะไรอยู่ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันไม่ได้หมายเอาสาระสาคัญมาเพ่งรู้ที่กายแต่เพื่อให้ท่านดูดูไปทั้งทั้งตัวดูไปทั้งร่างกายว่าร่างกายนี้ตัวเราที่นั่งอยู่นี้กำลังคิดอะไรอยู่กำลังมีอารมณ์อะไรอยู่กำลังมีความพอใจไม่พอใจ หรือว่ามีความอยากหรือไม่อยากอย่างไรก็รู้อยู่รู้ดูเห็นไปทั้งตัวเมื่อไม่ติดก็จะได้ไม่ติดไปทั้งตัวทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันจึงให้เวลามารู้นั้นจึงให้รู้ทั้งร่างกายและจิตใจว่าร่างกายนี้ตัวเรานี้ที่กําลังนั่งอยู่นี้คิดอะไรมีอารมณ์อย่างไรมีความอยากหรือไม่อยากอย่างไรมีความพอใจไม่พอใจอย่างไร มีราคะโทสะโมหะมุทิติลุงธาลำคาญใจเบื่อเซ็งกุ้มหรือว่ามีความง่วงเหงาห่อนอนตุ่มตื่ต่าๆหรือว่าใจผ่องใสหรือว่าใจเศร้าหมองก็มารู้ทั้งตัวเลยแต่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็คือจิตเห็นจิตโดยรู้ว่ามารู้ว่าร่างกายนี้กำลังคิดอะไรกำลังมีอารมณ์อะไรมีอาการอย่างไร มีความห่องใสหรือมีความเศร้าหมองก็ให้รู้ไว้ให้มีสติรู้ไว้อยากขี้เกียจว่าอะไรขี้เกียจสติก็หายไปทําไมผมจึงกล่าวว่าสติกับผู้รู้เป็นโคลานกันแต่ถ้าท่านไม่มาตั้งสติรู้ไว้ผู้รู้ก็ไม่มาลุกกายไม่มาลุกเวชนาไม่มาลุกจิตเท่ที่กล่าวว่าสติกับผู้รู้ นั้นไม่ใช่อันเดียวกันกเพราะว่าเวลาท่านมีสติท่านก็สามารถตอบได้ไว่าท่านมามีสติรู้กายรู้เวทนารู้จิตอยู่ตอบได้ไั้ยท่านตอบได้แสดงว่ามีผู้มารู้สติอีกเพราะเวลาท่านไม่มีสติท่านก็ตอบได้ว่าตอนนี้ไม่มีสติแล้วไม่ได้ตั้งใจยยที่จะรู้ขึ้นมาไม่มีสติแล้วท่านก็ตอบได้อีกว่าไม่มีสติขอท่านมีสติขึ้นมา ท่านก็ตอบได้อีกท่านตอบได้ไหมว่าตอนนี้มีสติมีสติรู้ตอบได้ไหมมีสติรู้ก็ตอบได้แสดงว่าสตินั่นเองก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้เพราะมีผู้มาู้ก็อีกว่าเรามีสติหรือไม่มีสติดังนั้นสติกับผู้รู้จึงไม่ใช่กันเดียวกันเหนือสติขึ้นไปจึงมีผู้รู้อีกแล้วก็รู้ไว้อย่างนั้น การที่รู้สติไว้นี่เองว่ารู้ว่ามีสติหรือว่าไม่มีสตินี่เองเขาจึงเรียกว่าอยู่ในหมวดธรรมานุ ป, ปัสสนาสติปัฏฐานเพราะสตินั่นเนี่ยเมื่อมีสติก็จะสามารถมีผู้รู้ได้ก็คือมีธรรมเมื่อมีมีสติผู้รู้ก็ไม่ปรากฏเพราะผู้รู้นั่นแหละคือธรรมเมื่อไม่มีสติผู้รู้ซึ่เป็นธรรมก็เป็นปรากฏธรรมแท้ๆก็คือผู้รู้นั่นเองเมื่อไหร่พบผู้รู้ก็พบธรรม นอกจากจิตผู้รู้แล้วไม่มีอะไรเป็นธรรมอย่าไปหาธรรมะอย่างอื่นนอกจากจิตผู้รู้นั่นเองดังนั้นจึงต้องให้รู้ไว้ตั้งสติไว้จึงจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตได้และรู้ได้ว่ามีสติอยู่หรือไม่มีสติดังนั้นผู้รู้จึงเหนือสติขึ้นไปแต่อย่าไปหาผู้รู้เพราะผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ แต่เมื่อไรที่เรามีสติรู้ไว้ผู้รู้ก็จะปรากฏเองแต่หาตัวตนของผู้รู้ไม่ได้รู้แต่สติเท่านั้นเองเมื่อมีสติอยู่ผู้รู้ก็อยู่คู่กับสติไปเมื่อไม่มีสติผู้รู้ก็หายไปแต่อย่าไปย้อนหาผู้รู้อีกว่าผู้รู้ไม่ใช่สติสติไม่ใช่ผู้รู้แล้วผู้รู้เป็นอย่างไรอย่าไปหาผู้รู้อีกเพราะผู้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่จึงไม่สามารถหาผู้รู้เจอ ให้รู้ไปอย่างนั้นรู้กายสัตว์แต่ว่ารู้กายสัตว์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกก็สัต์แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้รู้เวทนาอาการทางกายอาการทางใจก็สัตวแต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยระลึกรู้ไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรรู้จิตคือความคิดและอารมณ์ก็ใส่เป็นเครื่องสัตว์แต่ว่าอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้ ไม่เข้าไปพอใจไม่เข้าไปไม่พอใจไม่ขาดสติที่จะเผลอไเผเพลินใจไปเป็นสิ่งนั้นตัวเองแต่กลายไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปูมิแต่มผู้มีอารมณ์โดยไม่รู้ว่ากำลังคิดอะไรไม่รู้ว่ากำลังมีอารมณ์อะไรดังนั้นถ้ามีสติตามสติรู้อยู่ถึงแม้เขาจะไหล เราก็รู้ไม่ไหลก็รู้ไปมีอารมณ์ร่วมก็รู้ไม่มีอารมณ์ร่วมก็รู้ดังนั้นไม่ต้องไปห้ามว่าจะต้องไม่มีอารมณ์ไม่พยายามห้ามว่าจะต้องไม่ให้ไหลบางคนสงสัยว่าไอ้จิตไหลหรือไม่ไหลมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์เพราะรู้อยู่เรื่อยไปก็รู้ไปคือมีอารมณ์ก็ต้องรู้มีสติรู้ไม่มีอารมณ์ก็ต้องมีสติรู้ จิตจะไหลไปกับอะไรก็ต้องมีสติรู้ไม่ไหลไปกับอะไรก็ต้องมีสติรู้สารัสำคัญต้องมีสติรู้ว่าจิตคุณลังเป็นอย่างไรมีอารมณ์อะไรก็ต้องมีสราระสำคัญว่าสติมารู้รู้ว่ามีอารมณ์อย่างไรแต่เมื่อมีอารมณ์แรงมีความทุกข์ใจแรงมีอารมณ์แรงผู้ที่ฝึกจิตมาอ่อนแอไม่เข้มแข็งเพราะขาดสติ อยู่เป็นประจำจึงเกิดอารมณ์แรงได้แรงๆเพราะสติไม่มารู้ตั้งแต่แรกเปรียบเหมือนเริ่มไฟเริ่มจะไหม้บ้านหรือไหม้ป่าไหม้ไฟเริ่มจะติดเล็กๆแน้อยถ้ารีบนาน้ำมาดับคือรีบมีสติขึ้นมารู้ไฟนั้นก็จะไม่เป็นไฟป่าไหม้ลามทุ่งแต่เมื่อสติไม่รู้ตัวทีเราก็คิดไปมีอารมณ์ไปเองไป ม, มีสติมารู้ตัวว่าเรากำลังคิดอะไรในขณะปัจจุบัน มีอารมณ์อะไรในขณะปัจจุบันแต่และขณะปัจจุบันเวลาเกิดอารมณ์อะไรมันก็แรงเพราะว่าเราไม่ฝึกสติให้มันต่อเนื่องไม่ขาดสายเวลาเกิดอารมณ์แรงมันเหมือนกับไฟไหม้ป่าแรงๆพอไฟไหม้ป่าแรงๆตอนนั้นเนี่ยคิดจะมีสติรูก้ก็เหมือนเาน้ํามาดับไฟมันดับกันไม่ค่อยไหวหรอกเพราะว่าน้ําน้อยยอมแท้ไฟเราก็ใช้วิธี เขยา่าเขย่าตัวแรงๆหรือเปลี่ยนความสนใจไปเป็นอย่างอื่นหรือบางทีก็ใช้วิธีคิดมาช่วยคิดยังไงก็ได้ให้มันปรองไม่ได้เช่นอะไรมันเกิดไปแล้วก็แล้วไปหรือเราจะเกิดก็ต้องเกิดหรือว่า เ, เขาทําอุดทำก ร, รมมาแค่นี้หรือว่าสั่งคนเถอะแล้วก็หรือว่าคิดในทางเหตุผล ว่าทำไมลูกทุกเกี่เรื่องนี้ไม่เลิกลาสักทีทําไมไม่คิดอยู่นั่นแหละมีอารมณ์อยู่นั่นแหละไม่เลิกไม่ลาก็หาเหตุผลมาแล้วแต่จะใช้อุบายวิธีใดก็ตามที่จะออกจากทุกข์ในเรื่องนั้นได้ออกจากอารมณ์ในเรื่องนั้นได้แต่วิธีการนั้นจะต้องไม่ทาให้ตัวท่านเองและคนอื่นก็เดือดร้อนไม่ใช่จะบอกว่าหาวิธีใดก็ได้ที่ทำให้มั น, มนหาจากทุกข์หายจากอารมณ์นั้น หรือว่ามีอารมณ์ไปเลยด่าว่าไปแรงๆเลยมีอารมณ์ออกไปเลยสะใจแล้วก็ว่าหายทุกข์หายเครียดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าทําให้คนอื่เ น, อ น, เนเดือดร้อนเดือดเดียนคนอื่นจะออกโดยทางนี้ไม่ได้ต้องฝืนใจขัดห้ามใจขัดใจตนเองอย่าตามใจตนเองก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆขัดใจไว้มันก็มีความคิดมีอารมณ์มีความอยากอยากยากยายากเรา ก, ก็เห็นความอยากเห็นความคิดเห็นอารมณ์อยู่ในใจที่มันดิน้นกระเดากระเดากระเดากระเดาในใจ เราก็เห็นมันเราก็ตั้งสติที่จะมารู้จิตไว้เราตั้งสติไว้ทั้งไม่ไม่พยายามกดข่มไว้แล้วก็ไม่ตามใจแต่เราต้องอดทนอดการข่มใจที่จะไม่ตามใจแต่เราก็ไม่ไปกดมันไม่จะไปกดบี้อะไรเขาไม่ใช่ว่าไม่พยายามไปกดให้เขาไม่เกิดบางคนบอกว่าตาเห็นก็ต้องพยายามกดไว้ไม่เกิดราคะบอกราคะไม่ดีผลท้ายฝึกพอตาเห็นปุ๊บ แล้วก็ตั้งหลักไว้ก่อนแหละพอตาจะเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้ชายหล่อตั้งหลักไว้เลยล็อกจิบไว้แข right. right. okay. ็งมันหินพยายามล็อกไว้เงี้ยฝึกฝึกล็อกไว้เรื่อยพอตาจะเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้หญิงเดินสวยๆเดินไกลเผู้ชายหล่อๆเดินไกลล็อกจิบไว้ให้ฝึกให้รู้สับตะวันรู้เห็นสับตะวันเห็นได้ยินสับตะวันไยินมีคนฝึกอย่างนี้จริงๆแล้วก็ฝึกอย่างเงี้ยล็อกเป็นแข็งเป็นหินไว้เงี้ เพื่อไม่ใหม้มีอารมณ์ราคาเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์โทสะเกิดขึ้นเมื่อเขาจะเกิดเมื่อตาเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริมลิ้นร่ากายสัมผัสเมื่อเขาจะเกิดอารมณ์เขาเกิดขึ้นมาตามเหยดปัจจัยที่มากระทบเมื่อเกิดเราก็ได้แต่รู้ทันรู้ทันตั้งแต่แรกเกิดความคิดเกิดอารมณ์เหล่านั้นรู้ทันแล้วถ้าเรามีความเข้มแข็งฝึกมาดีฝึส ต, รติรู้ตัวอยู่บ่อย เราก็สามารถที่จะกล้าเผชิญกับอารมณ์เหล่านั้นและความคิดเหล่านั้นได้โดยไม่กลัวเกงไม่ถอยหนีและไพยายามไปกดเขาไปจัดการเขาให้มันดับไปเดี๋ยวนั้นคือให้เขาเกิดอย่างนั้นเนี่ยบอกเกิดมาเลยเกิดมาเลยเกิดมาเกิดมาก็จะดูอยู่นนแหะเองเกิดมาเลยเกิดมาเลยมีความคิดมีอารมณ์อย่างนี้มีความคิดมีอารมณ์หลัะต่อคนคนนี้มีความคิดมีอารมณ์โทสะต่อคนคนนี้เกิดมาเลยเกิดมาเลยแล้วจะดูอย่างเนี้ยไม่หนีไม่หนี ไม่ถอยไม่พยายามไปไปไล่ดับไล่บี้ให้เขดับไปเดี๋ยวนั้นดูที่ว่าเองเกิดเลยเกิดเลยเกิดดูที่ทจะทําอะไรข้าได้จะทําให้ข้าไปพูดหรือว่าไปกระทําตามที่เจ้าคิดเจ้ามีอารมณ์ได้ไหมดูอยู่นั่นนะนเวลาฝึกเก่งๆแล้วนี่เวลาฝึกแก่กล้ามากๆไม่กลัวแล้วไม่กลัวความคิดไม่กลัวอารมณ์ทุกความคิ ด, ท, คดทุกอารมณ์ดูซิว่าะจะทําอะไรเราได้ ความคิดเราลมเหล่านั้นไม่มีไม่มีมีดไม่มีปืนมายิงเรามายิงแทงเรามาทาร้ายเราก็ไม่ได้แต่เราไปกลัวเขาเองคนวิศกังวลว่าอาจารย์ตั้งสติรู้กันมาหน่อยเดี๋ยวมันอุดอัดเดี๋ยวมันทุบๆเดี๋ยวมันแน่นๆมันเริ่มกลัวตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ทันจะขึ้นชกฝ่อแล้วนักมวยยังไม่ทันมาเลยตัวเองไม่นานขึ้นเวตีขาสั่นแล้วลราจะไปสู้อะไรใครก็ได้อย่างนี้มันต้องเก่งแล้วฝึกมาดีแล้วต่อยลงมันชกลมมันเยอะแยะแล้วฝึกมานานแล้ว ก็ต้องขึ้นไปบนเวทีเลยมาแล้วก็ยืนกังกล้าแล้ว น, น, น่ความคิดอารมณ์เหล่านี้เกิดไม่ถอยไม่หนีแล้วไม่พยายามไปฆ่าเขาให้ตายยืนดูรู้เห็นอยู่เนี่ยกอดอกดุมเลยดูสิความคิดอารมณ์เหล่านี้จะทําอะไรเราได้ที่สุดเนีความอดทนอดกลั้นข่มใจแล้วระงับใจจางใจเริ่มหน้าสติที่แก่กล้าสมาธิปัญญาก็ก็ข่มเก็บอยู่อย่างนั้นตั้งมาน่นอยู่อย่างนั้น ไม่แก้งเผอไผมองนู่นมองนี่ทับคิดนู่นคิดนี่เพลินแก้งไปทำนู่นทนี่ไม่มีแกล้งแล้วดูรู้เห็นอยู่อย่างนั้นทุกความคิดทุกอารมณ์ความคิดและอารมณ์เหล่านั้นค่อยๆดับไปต่อหน้าต่อตาวก็เกิดใหม่เดี๋ยวันอีกต้องมังแรงอย่างนั้นเกในมายังคิด่าเอาราคแรงโทรศทแรงก็เกิดอีกเกลุอยู่นั่นแหละดับดัปั๊บเถียงโผล่แล้วดับปั๊บเียโผล่แล้วดับปั๊บเถียงโผล่แล้วก็ดูอยู่อย่างนี้นี่เป็นวันเป็นคืนบาทีเก่งๆก็ไม่ถึงี20นา บนท้ายก็ค่อยๆหมดแรงลงแล้วก็มีกํลาลังน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าฝึกใหม่ๆนะสู้ไม่ค่อยไหวก็หลบหลก็ได้หลบหเปลี่ยนเปลี่ยนความสนใจไปอย่างอื่นมากทุกมากมากๆก็ลุกไปดูหนังฟังเพลงลุกไปทําอะไรหาของที่มันสวยๆทา ง, งานูกใจมาดูก่อนนะแต่ไม่ใช่อ้างเหตุแบบนี้เรื่อยไปแล้วทุกคนผมนเห็นฝึกมาตั้งนานก็ดูโทรทัศน์ฟังเพลงอยู่นั่นแหละโอ้ฝึกมาหลายปีแล้วก็อ้างเหตุว่าจะเรียกไปเรี้ยงมากลับบ้านที่ไรก็เห็นงคนมันตั้งโดนดูโทรทัศน์อีกแล้วฟังเพลงแล้วอ้างว่า เปลี่ยนอารมณ์เพื่อเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์บทพิีไปฝึกการกินกันทั้งคืนเปลี่ยนอารมณ์บอกกินทำไมกินเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ต้องต้องเข้มแข็งดูรู้เห็นใจตนเองดูนะแล้วก็สังเกตดูสิ่งใดที่มันไม่เป็นสาระไม่เป็นสาระแล้วก็อย่าไปไม่ควรพูดก็ไม่ควรทำไม่ควรทำก็ไม่ควรทําถ้ามันไม่เป็นสาระสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระในปัจจุบันนั้นก็ไม่ควรพูดก็ ใหญพูดไม่คนทําก็อย่ายไป ท, ทําผมก็บอกว่าไม่ได้ต้องพูดแต่พูดแล้วถามว่ามีประโยชน์ออนไลน์ที่พูดออกมาไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียอารมณ์เปล่าเป <c oughs> เปลืองเปลืองความคิดเปลืองสมองอเปล่าเปล่าเปลืองลอลรมณเปล่าเปล่าเปลืองใจเปล่าเปล่าแต่ขอให้ได้พูดบอกว่าไม่พูดไม่ได้ <c oughs> อะใช่มันต้องมันต้องพูดต้องมีอารมณ์อย่างนี้นะใช่แล้วก็ไอ้ที่ที่ท่านพูดเนี ก, ก็ดีมากว่าเป็นอนุสัยเนี่ยคือว่า เข้าที่สังเกตดูเนี่ยนิสัยเนี่ยนิสัยสันดานเดี๋ยวเรเรียกว่าอนุสัยอาสวะอนุสัยกิเลสเครื่องดองสันดานนัคือนิสัยสันดานเดิมอะไรของแต่ละคนเนี่ยมันพาไปหากิเลสและพาไปหาทุกโดยแท้จริงเลยคนไหนมีนิสัยอย่างไรนิสัยอย่างนั้นเนี่ยพาตัวไปหาทุกพาตัวไปหาทุกพาตัวไปหากิเลสนิสัยตัวเองเนี่ยพาตัวไปหาทุกหากิเลสบางคนมีนิสัย ขีในในใ้ใจนใ้อยขี้ใจน้อยกระทบอะไรนิดนึงก็เป็นเรื่องใหญ่คิดมากอยู่นั่นแหะไปไปเล่าคนอื่นฟังแค่เนี้เหรออุยเรื่องจอิตใจจะคิดวนเวียนอยู่นั่นแหะเป็นวันเป็นคืนเป็นวั น, นเปน็นคืนไม่หลับไม่นอนเรื่องนี้เดียวคิดอยู่นั่นแหะจะเป็นจะตายเป็นทุกข์แล้วก็ไม่เห็นไม่ตั้งสติมารู้ไว้รู้ความคิดอันไว้ต้องสติมารู้อะดูที่ควาคิดลราลงอย่างที่ทําอะไรเราได้ บางคนเจ้าอารมณ์เจ้าอารมณ์ก็ปล่อยให้เกิดอารมณ์ขึ้นเป็นประจําเจ้าอารมณ์ด่าคนนู้ด่าคนนี้ว่าคนนู้ว่าคนนี้ไปเลยพองพงพองออกไปเลยเจ้าอารมณ์แล้เจ้าอารมณ์อย่างนี้ก็พาตัวมีความทุกข์ความเครียดบ่อยก็ทําให้คนอื่นมีความทุกข์ความเครียดด้วยตัวเองก็มีความทุกข์ความเครียดบางคนขี้บ่นบ่นตลอดเวลาบ่นปุ๊บบุ๊มบ่๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊มบมบุ เราก็สังเกตว่าราคาเนี่ยมันคอยเกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ในสถานที่ใดเรากินอะไรเราพูดอะไรเรามองอะไรเราฟังอะไรราคาจึงกำเลเริ่มเราต้องสังเกตเอาไว้พอราคามันจะกำเลเริ่ได้เหตุนี้เราก็อยา่าเรียยนซะอย่าไปอย่าไปหาเหตุที่ทําให้เกิดราคาขึ้นมาอีกมันอยู่ในที่อย่างนี้มันคอยคิดอยู่ในที่อย่างนี้เป็นสัาวะสิ่งนี้ราคามันคอยกำเลเริ่มแล้วก็คอยหลีกเลี่ยงซนะบางคนกินนมไม่ได้กินนมก ราคากำเริบบางคนกินไข่ก็ราคากับเริบบางคนกินอาหารรสจัดกินอาหารที่มีเครื่องเทศลดจัดก็ราคากำเริบบางคนบอกกินอาหารมันก็ราคากับเริบบางคนกินโปรตีนมากเกินไปก็ราคากำเริบนะแต่ที่แน่แน่คือถ้ากินมื้อเย็นมากเกินไปราคากับเริมน้อยก็คือราคากับเริบมมื้อเย็นมื้อเย็นกินมากเกินไปราคากับเริมถ้ากินน้อยกินน้อยนอนน้อยราคาไม่เคยกัำเริมกินน้อยนอนน้อยราคาไม่เคยกับเริบที่เวลารี่ฝึก เขาึงฝึกกินน้อยนอนน้อยแล้วสำรวมินรีระว่างตาหูจมูกจมูกกายใจให้อย่าไปสัมผัสในสิ่งที่ทําให้อารมณ์มันขึ้นของขึ้นเราต้องคอยสังเกตเราให้ดีจิตเห็นจิตจะเปลี่ยนเมื่อร่างกายเบาร่างกายเบาก็มาจากเราเปี่ยนฝึกฝ น, นกินน้อยนอนน้อยพูดเอยน้อยระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้ส่อสายแสไปทั่วมันก็ อารมณ์ก็เข้ามันหนักจิตเห็นจิตไว้ดูความคิดดูอารมณ์ไว้ทุกความคิดทุกอารมณ์ต้องเห็นหมดมันคิดขึ้นมามีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ต้องสติที่จะรู้ไว้รู้อย่างนั้นแหละให้ชัดเจนถ้าเราอยู่กับผู้รู้ได้ไปไป็นจิตจ ท, ท, ที่ถูกรู้ผู้รู้เป็นอิสระจากทุกสิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเดิมมันอาจจะถูกรูปรดกลิ่นเสียง สัมผัสเจตสีทำอารมณ์ความรู้สึกนกิอารมณ์ทั้งใดใดทั้งหลายที่ถูกรู้นั้นเน่ยพอมีน้ำหนักหรือมีที่ผนกดทับร้อยปอรไอ้ผู้รู้นั้นมันก็เบาไม่ได้มันก็เพราะว่ามันมีสภาพไม่มีตัวตนมีลูกตาที่อยู่มีความเบ้าเปล่าก็จริงแต่เมื่อมันถูกสิ่งอื่นมากดทับมันก็เลยเบาไม่ได้มันก็หนักไปตามน้ำหนักที่กดทับคือจิ่งเหล่านั้นมีที่ผนต่อใจเมื่อรูปรสกียร์เสียงสัมผัสเจตสีทำอารมณ์ใดใทั้ ง, งหลายก็ค่อยผลที่ผนต่อใจผู้รู้ที่มันเป็นของเดิมของมันคมอออองร่เป็กกกยาาฏ รู้สึกใจมีความปอ่งใสมีความว่างเปล่ามีความเบาสบายมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลาดับเข้าไปยึดติดยึดถือสิ่งใดในภายนอกตัวเราให้เป็นทุกข์เนี่ยมันน้อยลงนะมันก็เริ่มเบาไปได้เริ่มเบาเริ่มว่างเริ่มสบายไปได้ระดับหนึ่งแล้วต่อไปมีปฏิกิริยอาการทางกายอาการทางใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆที่เป็นจริงที่ถูกรู้ไปในใจเราเนั่นแหละ มันจะดิ้ดลนผักสายกุกกู๊กกู๊กกับอาการที่ไม่สบายใจอืดอัดตื้อไม่โป่ไม่โล่งไม่เบาสบายมันอยากให้อาการเหล่านี้หายไปเพตที่เป็นชนนี้เพราะมันอยากให้โป่งโล่งเบาสบายว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาว่าก็เลยหนักอึดอัดอืดอัดอืดอัดเนี่ยอย่างนี้ที่นี่ทีตหลงกูไวท์เขบอกว่าเก็บทุกข์รับสุขอะอย่างนี้เนี่ยเก็บทุกข์รับสุขอาการก็เก็บทุกข์รับสุขมันก็ยังมันก็ยังไม่ไม่ไม่ว่างไม่เบาสบายจริงๆมันก็ยังหนักหนักอยู่สิ่งใดที่มีอาการให้ถูกรรับู้้ได หรือมีอาการให้ถูกรู้ได้มีปฏิกิยามีสิ่งใดปรากฏให้เกิดดับให้ไหวตัวกับเพื่อนอะไรต่างๆเนี่ยมีปฏิกิยาให้รู้ได้มีพฤติแห่งจิตให้รับรู้ได้ทิศให้ถูกรู้ได้เนี่ยถ้านต้องละมันทิ้งไปผู้รู้เนี่ยมันทำหน้าที่รู้ก็อย่างเดียวมันตัวมันเองจะถูกรู้ไม่ได้ดังนั้นถ้าท่านรู้อะไรแล้วท่านสามารถอาบอกคนอื่นได้บอกว่าฉันรู้สึกว่างไปหมดเลยเวิ้งว้างเหมือนดั่งอวากาศอย่ามาติดที่ว่างเวิ้งว่างนั้น ทิ้งใดที่ถูกรู้ได้ต้องปล่อยวางไปหมดละไปหมดทิ้งเดียไปให้หมดแล้วเข้าถึงผู้รู้ที่แท้ จ, จริงที่ไม่มีใครรู้ตัวเขาได้ถ้ายังรู้อาการใดไ ด, ได้รู้สภาวะใดได้ได ว, ว, ว่างเบาสว่างสิ่สุดเพีใดก็ต้องทิ้งไปหมดละไปให้หม ด, ลหหมดแล้วก็สัตวต่วันรู้อันนั้นไว้เฉยเขาก็ทิ้งไปหมดละไปหมดไม่ได้บางคนเขาไปจัดการสิ่งนั้นไม่ต้องไปจัดการสิ่งนั้นให้สับแต่วันรู้ไว้สัตว์ตะวันรู้สับวตะวันรู้เลื่อยไปจนทั้งรู้นั้นหลุดออกไปจากทุกสิ่งเหลือแต่รู้ที่ไม่มีใครรู้ตัวมมันไดด้้้พูถึงเเจากรรว หรือบาปกรรมกับฝ่ายบุญกุศลก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอีกเหมือนกันบาปกรรมเจ้ากรรมในเวในใดๆที่ตามตามจองเวนตามที่ติดตามให้ผลก็ให้ผลไม่ได้เพราะเข้าไปถึงผู้รู้เพราะมันรู้เขาอย่างเดียวแต่มันไม่ถูกผู้อื่นรู้ไม่ได้เจ้ากรรมในเวทรรใ น, ในทั้งหลายบาปกรรมใดๆทั้งหลายก็เข้าไปถึงเา้าเพราะเข้าสู่เข้าสู่ผู้รู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ ความรู้สึกที่ว่างที่เอามาบอกคนอื่นได้ว่าผมหรือเรารู้สึกว่างไปหมดเลยรู้สึกว่างเวิร์ว่างไฟสานหมดแต่ท่านสามารถเอาความรู้สึกนั้นมาบอกคนอื่นได้แสดงว่าความรู้สึกที่ว่างเวิร์ว่างไฟสานนั้นเป็นจริงที่ถูกรู้เมื่อจะเป็นจริงที่ถูกรู้ได้ผู้อื่นเขาก็รู้ท่านได้ผู้ที่เชิญปัาฝ่ายรกฝ่ายสว่าหรือเจ้าการเลเวนใดทั้งหลายก็สามารถรู้ที่ความรู้สึกนั้นได้ก็ตามตัวท่านเจออีกเพราะท่านติดอยู่ที่ความรู้สึกนั้นเขามาตามที่ความรู้สึกนั้นขอให้เป็นความรู้สึก ว่างสว่างสวยหมดแต่ท่านเอาความรู้สึกนั้นบอกคนอื่นได้แล้วท่านปิดอยู่แค่ความรู้สึกนั้นเขาตามความมาตามที่ความรู้สึกนั่นเลยเจอตัวท่านพอดีเอารากเาไปได้ลากอาไปลงโทษเอาไปคิดว่าาดได้อีกต่อไปดังนั้นรู้สึกเชิงใดก็ปล่อยวางที่หมดปล่อยวางเส่ไปปล่อยวางไปละไปไม่ติดในสิ่งนั้นรู้พอเปล่าบริสุทธิ์นั่นแหละที่ไม่มีสิ่งใดเข้าถึง การเวียนว่ายตายเกิดจึงจบลงเพราะผู้จะไปเกิดใหม่ได้ก็คือบุญกับบาที่นั้นบุญกับบาสเท่านั้นที่ส่งผลให้ไปเกิดเป็นต่างๆกันเมื่อบุญและบาสไม่สามารถเข้าถึงคูารู้ไม่สามารถให้ผลได้ต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ทั้งหลายก็ยุติลงดับลงโดยสิ้นเชิง